ปฏิธรรเจริญกรรมฐานที่นี่หลังจากได้ทำมาหลายวันอาจะรู้สึกว่าเนี่ยการจรญสติเนี่ยเป็นเรื่องยากมากจริงๆถ้าพูดถึงความเหนื่อยความยากนะ ง, งานที่เราทำเนี่ยงานอาชีพก็ดีหรือว่างานส่วนตัวก็ดีมันยากกว่านะบางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลโหต้องทา งานทั้งวันเวลา 16-17 ชั่วโมงบางทีมากกว่านั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้คนสิ่งที่ทำก็เป็นเรื่องความเป็นความตายบางคน ท, ทาธุรกิจก็ต้องรับผิดชอบกับเงินจำนวนมากต้องดูแลลูกน้องแล้วก็ต้องพยายามทำเงินให้ได้ตามเป้า ถ้าเป็นคนที่ทำงานกินเงินเดือนของบริษัทในงานพวกนี้เนี่ยมันน่าทํทำให้เรารู้สึกว่าเครียดมากกว่านะในขาะที่การมาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับชื่อของใครเลยไม่ต้องแบกรับภารกิจการงานความรับผิดชอบจะต้องทาให้บรรลุถึงเป้าเราจะทำได้ ถูกหรือผิดมันก็เป็นเรื่องของเราไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนไข่ตั้งแต่หลายคนกับรู้สึกว่าโอถ้ากลับไปทำงานอย่างที่เคยทำเนี่ยอาจจะดีสกว่าอีกนะเพราะพอมาปฏิบัติทำแล้วเนี่ย แม้มันจะไม่ค่อยเหนื่อยกายเท่าไร่แต่เราก็รู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจคือมีความเครียดเราก็ต้องรู้สึกว่ามันต้องฝืนทำก็เลยเกิดความส่วนเป็นเรื่องยากที่จริงท้าพูดถึงความการลงทุนลงแรงสำหรับการภาวนาที่ มันไม่เรียกรองการลงทุนลงแรงมากเท่าไหร่เลยแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยการที่เราจะภาวนาให้ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันได้นี่มันก็คือการทวนกระแสกับนิสัยความเคยชินเดิมๆการทวนกระแส ความเคยชินเดิมๆเป็นเรื่องยากทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่การตื่นริ่งกนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสได้อยู่ที่ทำงานก็อาจจะเผลอดูหนังฟังเพลงหรือพูดคุยกับคนหรือมีโอกาสไปกินไปเที่ยว ไปสนุกสนานเราสามารถที่จะทำตามใจกิเลสได้หรือปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความอยากได้สะดวกกว่าไม่เหมือนกับเวลาเราอยู่ที่นี่มันต้องต้องควบคุมนะกายวาจาเพื่อให้สามารถปฏิบัติไปได้ทั้งวัน จะแวะไปไหนก็ทำได้ยากรือทำไม่ได้ยิ่งโทรศัพท์มือถือซึ่งเคยเป็นสาระเป็นเครื่องปล่อยใจไปตามความอยากก็ทำไม่ได้อย่างนั้นยิ่งมีความรู้สึกเหงาแต่ก่อนเวลาเหงาหรือมีความรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอะไรก็ตามมันมีช่องทางหนี หนีไปกินนี้ไปเที่ยวนี้ไปพูดคุยบางคนก็เปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้ลืมไปกับโซเชียลมีเดียแต่ว่ามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยเบื่ออย่างไรก็ต้องปฏิบัติเบื่ออย่างไรก็ต้องเดินเบื่ออย่างไรก็ต้อง อ, อยู่ในวัด จะแบบไปไหนก็ยากหลายคนก็ู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากนะการปฏิบัติเนี่แต่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติหรือ ว, ว่าการจดสติอย่างที่แนะนำทำที่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องง่ายมันง่ายกว่าที่เราคาดคิดซะอีกนะ ใจที่เรารู้สสวมันยากเพราะว่าเราวางจิตวางใจไม่ถูกหรือพูดออย่างคือว่าเราทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะว่าการปฏิบัตินาหลวงพ่อเทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะฟุ้งก็ได้นะจะหลงก็ได้นะไม่ใช่ว่าหลงไม่ได้ไม่ใช่ว่าฟุ้งไม่ได้อนุ ญ, ญาตนะอนุญาตให้ฟุ้งอนุญาตให้ปรุงไปต่างๆนานาได้ การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องบังคับจิตหรือว่าห้ามคิดแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องไปกดข่มความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆปฏิบัติที่นี่เราไม่จาเป็นต้องไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งที่เท้าเอาจิตไปเพ่งที่ลมหายใจเอาจิตไปเพ่งที่มือไม่ต้องเลยนะมันเป็นการกระทาที่เรียกว่า เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าสบายๆเ็าว่าได้ฟุ้งก็ได้หลงก็ได้ไม่เป็นไรคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่เรียกร้องว่าเราจะต้องคิดแต่ในเรื่องดีๆไม่ได้เรียกร้องว่าเราต้องไม่มีความคิดเลยเพียงแต่ว่าให้เราทำไปเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้น กับใจก็แค่รู้เฉยๆใหม่ๆก็แค่รู้ก่อนนะคือรู้ทันรู้ว่าคิดไปแล้วรู้ว่าไหลเข้าไปในอดีตแล้วรู้ว่าลอยไปอนาคตแล้วรู้ว่าใจเนี่ยนึกไปถึงบ้านนึกไปถึงลูกนะหรือว่ารู้ว่ากำลังกังวลกับเรื่องงานการก็แค่รู้นะ แค่รู้ทันแล้วก็รู้เฉยๆการปฏิบัติที่เนี่ยหลงวงพ่อเทียนบอกาทาเล่นๆนทำเล่นๆแต่ว่าทำเรื่อยๆหรือว่าทำทั้งวันมันจะหลงมันจะฟุ้งเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็เป็นคาถาที่ เราต้องเตือนใจตัวเองอยู่เสมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหลวงพ่อคำเขียนก็ใช่ก็ว่าเนี่ยหัวเราะหัวเราะเวลามันเผลอคิดก็หัวเราะความคิดเวลามันเผลอหลงก็หัวเระาะใส่ความหลงไม่ต้องหน้าดําคลําเคร่งไม่ต้องโทษตัวเองหรือบอยตีตัวเองทำไมเผลออีกแล้วทําไมเผลออีกแล้ว หลายคนเน่อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้โทษตัวเองว่าตัวเองทําทำไมเผล อ, อแล้วไม่ต้องเลยนะเผลอได้ฟุ้งได้นะไม่ว่ากันขอแต่เพียงให้รู้นะเวลาเผลอขอให้อเป็นแต่รู้นะเวลามันฟุ้งไปหลวงก็รู้แค่นี้ก็ดีแล้วดีที่รู้ว่าหลง ดีที่รั่วฟุง้งดีที่รั่วเผลอยกนิ้วให้ตัวเองได้ไม่ใช่มาเกี่ยวกราดใส่ตัวเองหรือว่าลงโทษตัวเองอย่างที่หลายคนอาจจะทำบ่อยไองที่สำคัญคือว่าการปฏิบัติที่เนี่ยคอยทำไปเรื่อยๆเอาปริมาณไว้ก่อนนะ เอาปริมาณไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาคุณภาพขอให้ทำเยอะๆ เ, เพราะว่าถ้าทำเยอะๆ เ, เนี่ยมันจะดีขึ้นเองสมมติว่าเราทำไปสักชั่วโมงหนึ่งมันพุ่งไปสักห้าสิบเก้านาทีแต่ว่ามีหนึ่งนาทีที่รู้ตัว แต่ถ้าเกิดเราทำไป8ดชั่วโมงเนี่ยมันก็จะรู้ตัว8ดนาทีถ้าเราทำไปส6บหชั่วโมงก็จะรู้ตัวส6นาทีไอความรู้ตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก1เป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่และมันจะไม่ใช่แค่รู้หนึ่งในห้าในหนึ่ง ใน1ชั่วโมงต่อไปทำไปเรื่อยๆมันจะรู้มากขึ้นหนึ่งชั่วโมงก็จะรู้สองนาทีต่อไปก็หนึ่งชั่วโมงก็จะรู้สามนาทีมันจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆและต่อไปเนี่ยหลงมันจะน้อยกว่ารู้ถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยต่อไปหนึ่งชั่วโมงก็จะรู้มากกว่าสามสิบนาที อันนี้คิดเป็นตัวเรียกให้เห็นง่ายๆและพอเรารู้มากกับหลงเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใน ใ, นใจเราเรียกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางคุณภาพแต่ก่อนนี่มันมีแต่ปริมาณแต่ว่าปริมาณมากๆเข้มันก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางคุณภาพทำให้เรารู้สึกปล่อยวางได้เร็วขึ้นสงบเย็นได้ง่ายขึ้นหรือบ่อยขึ้น มันีป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลยนะอย่างที่บอกฟุ้งก็ได้หลงก็ได้นะไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องควบคุมความคิดไม่ต้องเพ่งนะทําเล่นๆนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำไม่หยุดแล้วทําที่ไหนก็ได้ทําเมื่อไรก็ได้ ไม่ใช่ว่าต้องทําในวัดไม่ต้องทำบนทางเดินจงกรมแม่จะไม่ได้นั่งสร้างจังหวะแต่นั่งกินข้าวก็ทําได้แม่จะไม่ได้เดินจงกรมแต่ว่าอาบน้ําถูฟันอะก็ทําได้แล้วควรทําด้วยแล้วที่ทำไอย่างนี้กนะ็คือว่า ปฏิบัติปเนี่ยเราไม่ต้องทําเราให้จิตมันทํางานแทนเราให้สติทํางานแทนเราก็คือว่าเวลามันเผลอสักพักมันก็จะรู้ขึ้นมาเองรู้ว่าเผลอรู้ว่าเผลอเพราะสตินะเขาทํางานแล้วถ้าเราปล่อยสติทํางานนะเราจะไม่เหนื่อยนะ แต่ถ้าเราไปทำแทนสตินี่เราเหนื่อยเลยเพราะเราจะคอยไปดักจ้องความคิดคอยไปตามประกบนะว่าความคิดมันจะโผล่มาเมื่อไหร่เพื่อที่จะไปเบรกไปห้ามมันใหการเจริญสติวิธีเนี้ยปล่อยให้สติทำงานเองก็คือว่าเดินไปเดินไปมันก็คิดโน่นคิดนี่ปตเดี๋ยวหรือสักพักมันก็เกิดรู้ขึ้นมาว่าเผลอไป อันนี้เราสติตื่นแล้วสติตื่นมาทำงานแล้วใหม่ๆนี่นก็คิดไปสิบเรื่องถึงค่อยรู้อันนี้เราสติยังทำงานช้าแต่พอทำไปทาไปทาไ ป, ไปมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นคิดไปเจ็ดแปดเรื่องสติก็รู้แล้วมันรู้เองนะมันเหมือนกับมีสัญญาณ นะสัญญาณบอกเราเองเช่นสัญญาณการขโมยสัญญาณาสาหรับดับเพลิงเวลามีควันพวยพุ่งขึ้นมาในห้องสัญญาณนี่มันก็จะส่งมาที่เราเราไม่ต้องคอยดักจ้องดูทุกห้องไม่ต้องคอยไปดักตรวจดูทุกทุก ตารางนิ้วของห้องหรือของอาคารปล่อยให้เครื่องเซ็นเซอร์มันทํางานแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอถ้าเครื่องเซ็นเซอร์มันดีพอเดี๋ยวมันก็จะส่งสัญญาณมาบอกเราเองนะว่าห้องนี้เนี่ยมันมีควันละหรือห้องนี้มีความผิดปกติเวลาจิตเรามันมีความผิดปกติคือหลงเนี่ยสติมันจะบอกเราแต่ใหม่ใหมมันจะมันจะบอกเราช้า แต่ต่อไปมันจะบอกเราได้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเราฝึกมันฝึกมันบ่อยๆในการจนสิบแบบนี้มันมันง่ายกว่าที่เราคิดนะแต่ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากเราก็เลยเอาจริงเอาจังกับมันมันก็ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยาก มันมีเรื่องเล่านะกาตัวหนึ่งเนี่ยมันมันหิวน้ำมากเลยแล้วมันก็ไปเจอเหยือกน้ำนยเหยือกน้ำเนี่ยเหยือกเนี่ยมันมีน้ำอยู่พึ่งเหยือกทำยังไงเนี่ยจะทำมันจะได้กินน้ำเพราะว่ามันไม่สามารถจะก้มลงไปกินน้ำในเหยือกได้มันฉลาดนะมันก็รู้ว่าจะต้องหา หินหากรวดเนี่ยมาหย่อนลงไปในเหยอือกจะทําให้ระดับน้ําในเหยือกนี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันสามารถจะกินน้ําในเหยือกได้ร่าการตัวนี้ฉลาดแล้วมันก็รู้ว่ามันจะกินน้ําในเหยือกได้ดับความหิวได้ก็โดยการไปเอาเอาหินเนี่ยมาหย่อนลงไปในเหยอือกแล้วมันก็รู้ว่า ใกล้ๆเนี่ยมีลำธารลำธา น, นี่มีหินเยอะเลยกรวดก้อนเล็กๆมากมายมันก็บินไปที่ลำธารแล้วก็ไปหยิบไปคาบเอากลวดมาหย่อนลงไปในเหือกทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนมันคาบมีประมาณสักเกือบร้อยครั้งนะกว่าจะได้หินเนี่ยร้อยก้อนเนี่ย มาถมในเหยือกจนกระทั่งน้ําเนี่ยในเหยือกเนี่ยมันสูงขึ้นจนกระทั่งมันสามารถจะก้มลงไปอกินน้ําในเหยือกได้แต่ทีจึงไม่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคือมันไม่ต้องทําอะไรเลยในเมื่อมันก็มีลำธารอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไปกินน้าจากลําธารก็สิ้นเรื่องมันไม่ยังป็นต้องไปยิบ เอากรวดหรือเอาหินจากลำธาร น, นี่มาหย่อนลงในเหยือกนั่นเลยมันทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะก็ถ้าตรงนั้นมันมีลำธารอยู่แล้วก็ไปกินน้ําในลำธาร น, นั่นเสีเลยไม่ต้องกินน้ําในเหยือกมันฉลาดนะแต่ว่ามันไม่เฉลียวนะทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากบางทีเราก็นปฏิบัติไร้เพลิงก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากการปฏิบัติการเจริญสตินั่นมัน มันไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าวางใจเป็นหรือเข้าใจการปฏิบัติอย่างที่บอกเนะมันจะจะฟุ้งก็ได้จะเครียดก็ได้ไม่ต้องไปบังคับจิตไม่ต้องไปควบคุมความคิดนะทำเล่นๆคิดดีก็ไม่เป็นไรคิดแย่ก็ไม่เป็นไรนะขอให้ทำแต่ที่มันยากเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยคาดหวังความสงบและความสงบที่คาดหวังคือมันต้องไม่คิดต้องไม่คิดอะไรต้องไม่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นพอคาดหวังความสงบและไปมอว่าสงบเนี่ยมันต้องไม่คิดก็เลยไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้สะเลถลายออกไปเรียกว่าส่งจิตออกนอกหรือไม่ก็ ถ้าเกิดมันเผลอคิดไปแล้วก็ต้องควบคุมด้วยการกดข่มความคิดนั้นหรือยิ่งมีอารมณ์เกิดขึ้นต้องกดข่มอารมณ์นั้นเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันสงบปล่อจากอารมณ์ปล่อจากความคิดถ้ามีความคิดแบบนี้หรือมีความคาดแบบนี้แบบนี้มัเป็นการปฏิบัติกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าความคิดเนี่ยมันก็ พูดออกมาอยู่เรื่อยห้ามไม่ได้สมงปู่ดูนั่นก็เคยพูดนะว่าเนี่ยความคิดเนี่ยมันมีอยู่เสมอห้ามไม่ได้เหมือนเหมือนกับลมหายใจเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิดเอาแค่ว่าพอจิตรู้อารมณ์อารมณ์ในที่หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมแล้วมันนึกคิดปรุงแต่งก็ แค่รู้ทันมันก็พออย่าฝันทั้งที่ตื่นก็คืออย่าไปหลงคิดโดยไม่รู้ตัวนี่ส่วนใหญ่เนี่ยพอมาปฏิบัติเนี่ยวักคาดหวังความสงบ ก, ก็เลยพยายามบังคับจิตเพื่อไม่ให้คิดพยายามาพยายามเพ่งเอาจิตไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่ท้องล้วถ้ายังไม่สงบอ่ต้องหลับตา หลับตามันจะได้ไม่ไปรับรู้อะไรแล้วจิตไปเพ่งที่มือขณะที่สร้างจังหวะมันจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันจะเครียดและแถมความคิดก็ยังผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งสู้ยิ่งดือ้อยิ่งพยศและหลายคนรนี่ก็ใจร้อนนะแทนที่จะให้สติทำงาน ก็ไปทำงานแทนสติไปดักจ้องความคิดจะได้ว่ามันจะได้พอคิดปุ๊บ ก, ก็รู้ปั๊บเลยคิดปุ๊บ ก, ก็รู้ปั๊บเลยเพราะว่าคืนให้สติทำงานมันช้ากว่าจะรู้เนี่ยกว่าสติจะรู้นะว่ามีความคิดเนี่ยมันก็ช้ามันไม่ทันใจอย่างเหนื่อยนะ บางทีพ่อแม่ก็ต้องยอมให้ลูกเนี่ยได้ทำโน่นทำนี่รับผิดชอบงานตัวเองอย่าไปทำงานแทนลูกให้ลูกทำอาจจะช้าอาจจะไม่สะอาดอาจจะไม่เกลี้ยงเกลาแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยนะไม่ไปแย่งงานของลูกทำนะปล่ยอยให้ลูกทำงานทีละน้อยทีละน้อยเขาก็จะทำงานดีดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาถ้าพ่อแม่ไปทำความสะอาดแทนลูกนะล้างจานแทนลูก กวาดบ้านแทนลูกมันเร็วนะมันสะอาดได้รวดเร็วแต่ว่าลูกจะไม่มีประสบการณ์เลยอ่ฉันกกับฉันนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้สติทำงานอย่าไปทำงานแทนสติในที่สำคัญนะก็คือรู้จักยอมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจตอนนี้หลายคนสึก ทำได้ยากมีความคิดเกิดขึ้นก็ยอมไม่ได้ต้องพยายามกดข่มมันมีความรู้สึกใดเกิดขึ้นก็ยอมรับไม่ได้กดข่มมันบางทียอมเสียงที่ดังจากภายนอกมากระทบหูไม่ได้มีเสียงดังก็ยอมไม่ได้จิตมันก็เกิดอาการโวยวายตีโพยตีพายเกิดความงุดหงขึ้นมา พอจิตมันงุนงงแล้วก็ยอมไม่ได้ก็ต้องพยายามไปบังคับจิตให้มันหายหมุนงิดจิตมันก็สู้จิตมันก็ไม่ยอมก็กลายเป็นว่ายิ่งทํายิ่งเครียดในการที่จะรู้ซื้อได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ยอมได้ยอมยอมให้ความคิดเกิดขึ้นได้ยอมให้อารมณ์เกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่ยอมเนี่ยมันจะไม่ มันจะไม่อยู่เฉยมันจะไม่รู้ซื่อมันจะเข้าไปราวีหรือว่ารวมรําพันตูวกับความคิดนั้นแล้วถ้าเรารวมรําพันถ้าเรายอมรับความคิดที่เกิดขึ้นไม่ได้ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้การที่จะยอมรับสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูมันก็ยิ่งเป็นเรื่องยากก็จะรู้สึกมันอะไรมันขวางหูขวางตาไปหมดอะไรมันก็ขัดหูขัดใจไปหมดเสียงดังบ้างคนพูดคุยกันบ้าง หรือว่าอากาศร้อนบ้างหงุดหงิดกันใหญ่เพราะว่าไม่สามารถจะทำใจให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในอาจจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งกระทบจากภายนอกยังไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าฝึกให้รู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนในเช่นความคิดและอารมณ์เช่นความหงุดหงิดความราคาญ แล้วก็แค่รู้เฉยๆแค่ดูมันเฉยๆให้รู้เฉยๆเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่จะเรียกว่ายากนะสำหรับนักปฏิบัติการปฏิบัติทอดจะว่ายากก็ตรงนี้แหละก็คือรู้เฉยๆเพราะเวลารู้แล้วมันไม่ยอมเฉยอ่ะมันจะเข้าไปจัดการนะเพราะมันเป็นทิสายความเคยชินเดิมๆที่จะต้องเข้าไปจัดการกับความคิดและอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าเราฝึกนะที่จะ ยอมรับมันได้มันจะเกิดขึ้นก็แค่รู้มันและจากรู้เนี่ยมันก็จะพัฒน า, ารู้ทันก็เป็นการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนั่งปฏิบัติมาบางทีหลายปีเนี่ยแต่ว่าทำตรงนี้ไม่ได้นะคือรู้เฉยๆเพราะว่าคิดแต่จะไปจัดการกับความคิดจัดการกับอารมณ์เพราะว่ายอมไม่ได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ย ในความคี้ลานลมมาไม่ได้ทำร้ายเราในการที่ยอมไม่ได้การที่ไปมีปฏิกิริยากดข่มมันต่างหากที่มันสร้างทุกข์ให้กับจิตใจของเราแล้วเนี่ถ้าเราลองนะลองลองปรับความเข้าใจสมัยว่าการปฏิบัติจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่มันยากเพราะเราวางใจไม่ถูกตรงหา้